เทศอบรมพระวันที่19ตุลาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากตอนท้ายเทศก็มีพูดธรรมะในแง่ต่างๆไปเรื่อยๆหน้าบีก็มีบ้างไม่มาก พี่ทำเรื่องนองแบบแม้จะพูดาำความจริงขนาดไหนอ่าฐานจริ ง, งรกันขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องนองๆเหลือเยอะมันไม่พอถึงความจริงเป็นตัวจริงของท่า น, น, นการเขียนเน เ, นเรื่องของขานน่าปอะวาติขันขันน่ามีโอ้เสียงยากผมยอมรับผมเขียนได้มาก เรื่องทันันมั่นเป็นเรื่องทัดาเมื่อทุกสิ่งทุกอาการที่แสดงออกนีเป็นเรื่องความจริงทังันผู้เขียนเอาความจริงไปเียมันได้เรื่องนี้ไม่ไปผิวเินที่เผนทั้งไป้นู่นหรือผผิวนี่งมเงานั่น ้นหนังสือทางทูมิล้านันขอให้สราบได้ชัดเจนว่าผู้แก่เป็นผู้ชืไดเชื่อชานทางชาวบาลีเขาเชื่อชายตึกถือเอาความจริงนั้นออกมาให้ถึงจถึงใจคนนี่ยากคาว่าพุทธคดมันจะเดินเล็ามากเนื้อออกหลั พระไทยและพระโอษของบลพระเจ้าเปนเติมไปด้วยความอัศจรรย์เหนสิ่งใดๆไม่นั่นจะสามารถรื้อถอนที่เหลที่สังตมในภ า, นายใใจของสาโลกให้ถูกพ้นจากกฎโยมยุทธทำต่อภพของท่านได้สมนูรเท่านั้นแต่นี้ได้อย่างไรนี่เสิงคัญมากทรมของบุคคลพรเจ้าเป็นคําประเภศอัศจรรย์ราที่เหลได้ ทันผีทันผลทันท่วงทีเห็นผลทันตานั่นหลักความผีเมียอำนาจความจาไม่ได้เมียอำนาจกิเลสตัวเดียวไม่ได้ลดอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำในนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญอย่างว่าเหมืนนอนนกที่เจ้านกขุนทองว่าอะไรไม่ถึงภูรูนิพพานี พดถึงไม่พูดขวดถึงนั่นแหละคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบททุกแง่ทุกมีมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเทียงเป็นจับคีย์ยานซึ่งกัอนอกันมีอยู่ในธรรมะโดยสมบูรณ์แต่บิตของผู้อ่าน ผู้จดจำนี่มันไม่ไดเป็นประการนั้นยิ่งถือี่เด็กครอบงอําหัวใจจําก็จาด้วยวิธีเด็กไปเสียมันไม่ได้ด้วยความจริงอันเป็นฐามแท้เัราะจิตการการปฏิบัติธรรเพราะนั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจของนั้ น, ท, น, น, น, นที่จะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าตอนมีน้ําหนักเา และอย่างชาปธรรมก่อนพรพุเจ้าว่าเป็นของกระเสดเชิญโลกยังไงมันอย่างชาปที่จิตทำงานธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดอย่างธรรมปิติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เลวเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เจเป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องเหมืองเตี้ยเข้าไปสู่ ไปตะล่ากเขาตะล่อมไปดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบพิเรศด้วยธรรมของอัวเมันเกี่ยวเโยงไปถึงไหนที่เป็นานามทั่วโลกชาติเวลานจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ต้องไ ป, งไปนัน่นไปไม่ได้สาเหตุมันไปอย่างไรพิเลศมันไปที่ไหนไปเกาะ ไ, ไปเกี่ยวไปเกอะความลาบากลำคาที่เจ้าจตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ถ่า ไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านิจิตว่าสัตทุกขังอญญายะสัจจัจงแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูดีโลกประการาห์ทำไมัยพระพุทธเจ้าสัจว่าทุกขังอญญายะสัจจังสมุทัยอญญายะสัจจังมันจริงของมันถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้ววิเลตการษาอาวสวะต่างๆมากน้อยจะดลุดไปไม่ได้หรื ยิ้มแด้ได้ความจรินด้วยกันคือมรรคพรอริยสัจจานิโรธก็ดับทุกได้จริงิงเนื่ยนิโรธาอริยสัจจ์ไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิเป็นภาณิชยนะ์เป็นทนะี่สถนะิตนะแห่งที่เด็ดกันหาอาจว่าวัฏตักสสงสารความทุกข์ความทรมานตะ่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ทอัดจิตทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาด เกิดขึ้นที่จิตราปราณที่เดชตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เดชสลายตัวไปที่จิตเอามาสัจจะก็คือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้คําว่าจิตจิตนี่จะพูดแต่เวลาทรงขันธ์เท่านั้นเพราะขันธ์เป็นตัวสมมุติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องค้อยเดตามสมมุติทั้งทั้งที่เป็นใหญ่แล้วก็ต้องค้อยเดียตามสมมุติอยู่ โลเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงออกท่านำมาถึงความจริงอย่างเป็ไม่ดเป็นหน่วยจะให้เชื่อให้นามอย่างไรให้เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายึดต่ อ, อการปราบตาคิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งสังเกตอยู่ภายในจิตใจนี้ จิตใจหาประมาณไม่ได้ที่เรศก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนที่เหลศก็ลึกขนาดนะั้นมันถึงไหนถึงขนันมันถึงนี้สามารถปกครองจิตฉุดล่าจิตให้ได้ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนนี่ท่าว่านนเราจะนําพบชาติความทุกข์ความลําบากของมทรมารมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เต็มโลกแล้วละ่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้า พอวางกิเลสปัญหาคือว่าพบชาติความทุกข์ความทรมานั้งตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมนานี่เพราะอามรคของกิเลสทั้งหมดพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้กิเลสยิงทำแบบสุกเอาเอาขากินไม่ได้าำไมทำถึงความกิน ก็ไม่เห็นความจริงที่เหลืเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรคปฏิปทาเครื่องดําเนินเครื่องปราบตามที่เดลจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของที่เดชอันเป็นผัวอริสิ่งขณะกั น, กนแล้วปราบตามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกจะปราบตามมาแล้วจนประเทือนโลกธ า, าตุมรปัจจุบันนี้ เป็นผู้เลิกเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากยังไงประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั่นคือนําพุทธธรรมมาสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กคํามสำคัญเรื่องหดุจใจ็นได้ยังไงถ้าใจของท่านไม่ประสบเตอนโลกท่านใจของเราให้รู้ให้รับผ่านได้ ในใจของเราลากได้มาก น, อน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกสว่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานฝึกฝนกิเลสการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเลาพูดได้อย่างเป็นตรรโดยไม่สะทบกระชานว่าจะผิดว่า ไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกผลอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสู ง, งกว่าธนรมติการที่จะ <c oughs> ฟื้น ฟ, ฟ, ฟูตนเป็นปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าศักด์ก็ต้อง มีกําลังบางขามีสติปัญญาความท่าความเปลี่ยนความอดทนทุกอาการที่จะเป็นไปทั้งความก้าวนาอย่างจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงออกเป็นการสุผลทรมารยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคําว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างควมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกภาในเนี้ยเป็นอคติล ก, ก็ได้เช่นความหมากมนุษย์ทั้งหาย เราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ควรปุกผล่ตรงปลุกผลทรมานพระโอษฐ์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากปลุกผลมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายท่านปลุกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำราล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านปลุกท่านทรมานท่าน ที่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรูรูปคำขังแล้วยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนนั้นจะหาความสวยงามความน่าดูความแน่นหนามัมนคงได้ที่ไหนทำทำตามขั้นตอนของมอันเี่ยการขาที่ว่ามนุษย์ถึกผลทรมานยากรวมัึงสอนยากออกไมยถึงตัวของเราแต่แ ล, และรายละลาย ที่มีความรักผิดชอบตนเองและฝุ่นทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝุ่นทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อจะใหความส่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด็กปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนเจึงเป็นของที่ยากลาบากมากไม่น้อยเลยเมื่อเป็นอย่งนั้นการก่อความเพียงจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผล เอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายดนตายนี่เป็นเงาจนตัวเองถึงเวละแล้วคนดีก็าตายคนชั่ก็าตายคนมีกิเลสคนก็าตายคนบริสุทธิ์ก็าตายอย่างไรก็าตายไม่มีการยิ่งใหญ่กว่ า, ากันลงถึงขั้นในรูปในกายมาแล้วก็ฝืกกองแห่งความตายเด็ก่องที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับ พอเรา ม, มาเราให้ดับปรากิเลสที่อยู่ในเงืม้อหมูจะมีความผิดความประบาดอารมกิเลสได้สังจมอยู่ภายกิจการนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสัรตัญ น, นยอกันขึ้นแสดงจริยาการยุง่งยางแข่นแตมันก็เหมือ น, น, นกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภาในร้าน ภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ที่โลคที่โกรธที่หลงเต็มประฐพาาีจิตใจกิริยาแสดงออกภายนอกเป็นเป็นความยแย่แสบใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้ากไม่เห็นมีคุณค่าอันใดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทำนี้เป็นจิ่ตที่ ผู้ต้องการความจริงเท่าไหายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเท่านั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาพปฏิบัติหากว่าไปเป็นความาลำบากลำมุนจิตใจจะทอดแท้แย่ให้รึ้ถึงครูให้สอบกล่าวไว้แล้วในทะละสุรโลกกับสงครามให้รึกถึงอิที่ไปโศลสวกขาโตสุภติปัญโนใน ทายของทายาทกระสุนท่านเขาอารัญเยรุขมูลเลวะตื้นเนื้อนายเลวะพิขวัวหรือก่อนที่ดูทั้งหลายโรคเกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในป่าลุกขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนนุสรงจะสร้างอนุรสรณ์จะสร้งบุตรธรรมให้เราเลือกถึงพอเราตถาคตคือพระพูดทธเจ้าแล้วจิ่งหวัดตัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น นั้นก็จะดับไปหากว่าเนี่ยอัตถกพุทธังจะเลยแล้วให้ใหเลือกถึงธรรมเมื่อเลือกถึงธรรมอันเป็นเกี่ยบเหมือนโพงทั้งสามพระราชาใจยังว่าอยู่ให้เ ล, ลือกถึงพระสงฆ์แล้วใครทั้งหลายก็จะหายไปนัน ท่านสอนแล้ววิธียกผพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกระหารจะปรากฏขึ้นมาไม่จะยกพระพุทธเจ้าไปมาแล้วความอดอยากยิ่งจะเพิ่มผึนขึ้นหาไม่ได้นี่เราก็เป็นขึ้นนั้นแต่เลึกถึงปฏิปทาเครื่องคำนวณของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกัน กริยาแหการแสดออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่ได้เป็นอิสาระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมออมาเหมือนกับนักโทษพอดัอ่มโถหน้ามาจากเรือนจำนายกลุมนักโทษก็มาดูติดสอยห้ตามบังคับบัญชากันแจ้ไปทั้งเข่าทั้งออกนี่ก็เหมือนกันก ร, ริยาอาการ ความเคลื่อนไหวของขันมีรูปมีขังขันขันสัญญาขันเป็นตัวแสดงออกนี่อะไไม่มีขีดแสงออกมานี้มันเป็นตันไน่ไ้นั่นเป็นเรื่องขีดแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหน้ากลุ่มนักโทษนายลุ่มนักโทษอะไร มาสัมผัดสัมพันธ์พิเลศจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทําหน้าที่ก่อนเราเรายังไม่ได้เรื่องเลยล่าเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าถิามตำลานหญ้าดูปรษสีภาษาว่าเป็นพิเลศเป็นอาสวะเป็นที่เป็นภายละต่อตัวเองเพราะฉะนั้นพิเรศจึงสนุกทําหน้าที่พิษ อำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัอใจสองใจไม่มีจับตัวใดที่จะผ่านพ้นจะได้ถ้าไม่ดู น, นำำาําธรรมะคำนะสอนของภพบริการเป็นเครื่องเทียบเทียมเป็นคู่แข่งขึ้นกันอย่างกั น, กนและปราบปรามกันด้วยวกองทัพใหญ่จิตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของกิตอาการของกิตที่คิดตรงออกมาแต่ละขณะดขน า, ขน า, ขนามันเป็นไปด้วยกิเลสกำลังคับออกมา เอาใา้มันสิ้นทิเรสมันสิ่งเหล่า น, นี้จะไม่เด่นตอนเราจะเด่นขึ้นเวล า, าแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบตอเมื่อมีทัศต์อัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกําลังได้กําจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันรุนรุนไม่เห็นมีทิเรศตัวใดออกมาเท<อ>ินผาดมากบกกลมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดตุ่มเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังเอง นั้นก็เป็นขันมันล้วกสับแต่ว่าได้ยนินสับแต่ว่าเห็นสับต่อริ้นรสต่างๆดองกลิ่นต่างๆสับต่อความคิดความปรุงจำได้หมาดูธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปลับไปในสมองเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้านคือกิเลสที่เคยควบคุมามาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขานนี้เกยกาเป็นอีกสระาตามลำธงข้างตัขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตนเลย เมื่อกิเลสเป็นซึ่งเป็นเจ้าตัวการสาดตัวงไปเสียทั้งนั้นนั้นขันก็นมาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอัดแสดงธรรมความหมายต่างๆให้แก่โลกเป็นที่เข้าใจดังพรธธะพุทธศาสนาสรุปธรรมแล้วทรงสั่งพระเดชสั่งสอนโลกาา 4, 5, ถึงมาถึง45พระปัญญาก็เอาขันนี่แหละเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะกิเลสมันหมดมันขึ้นชาตไปแล้ว ไม่มีกิเลสตัวใดมายุ่งวนขังนี้เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนค้นออกเรือนจังคือที่คุมขังได้แก่วัฏตจักรแล้วก็ในวัฏตจิตอีกวัฏตจักรก็คือภาคือแก่เก็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏตจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปพราะอำนาจของการครอบคุมของกิเลสวัฏตจักรวัฏตจิตที่จ <c oughs> ิ ต, <c oughs> ต, ตทำมานแต่ละด้วยมรรคญาณ หรือโดนมัดขีมาตะกี้ไปเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยอย่างไรงก็ตามจะเป็นเ้าตัวการสำคัญมาควบคุมเรื่องขันที่สแสดงออกแสงเนี่ยและคับคุมขันเพินไปตามอำนาจของ ม, มัเนเมื่อจะมีขังอ่ะจะเ อ, อือยเน้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่ท า, างๆบังคับขันให้ทํานั้นก็กิดใจได้เลยเป็นเหมือนกับ ต้วมเหมือนกับฐานข้นเนือ้อขนจากท้องเจกถุกโผลโผล่เงนขึ้นมีโรคขี่โกรธขี่หลงขี่ว่าข้าตันหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปนในจิตใจแล้วมีังแต่ความทุกข์ความพลมัภายในนาหนาออกเอาานหนียวหนาเท่าอำนาจแลพิ้ไทยของหมเ ม, มื่อสิ้น ก็กกรปกสวงมงคั้งหลายนี่ได้กระจายโจไปแน้าเราเห็นได้ชัดไม่มีอะไรบังคับจิตใจเลยทั้งวันทั้งคืนดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความสังในสิ่งที่ดู ท, ที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตนอยอดถึงตรงปิ่นลิ้ลนลวดคํามับถูกต้องยืนน้อนออกแสงกระดาน เป็นอิทธะในการสัมผัสสัมผันสระหว่างอาิจฉาภายในกับอิจฉาภายนอกอิจฉาภายนอกกับอิจฉาภายในสัมผัสกันและจิตที่คิดตามยังทำตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมอารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุมให้แต่ตงเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วดีเพื่อประกรมต่างๆเข้ามาครุ้มคิดผีภายในจิตใจนี่มีเลิกแล้วก็ถึงข่านเรียกว่าธรรมา สิ่งนั้นไม่มีแล้วทำ ม, มาลงวันี้มันก็ไเลยเกิดนั้นก็เป็นแบบ ท, ทําไปเจียบคิดเรื่อนั้ น, น, น, น, นไมไ่มี้เป็นธรรมดาไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันดับไปแล้วมันเอาอะไรมาเกิดความทุกข์เขาไม่มีมีผลอย่าการปราการการฝุกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่เราปลงเรากดเอาให้กินให้จามญาตาก็ตามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้ว ลหลากภาษาเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็ไปรูป้ผิดคาถาเพราะธรรมะจะพอายามอ่อนกำลังพทอถอยความผิดไม่สมควรจากความเป็นผิดคาถาเพรา ะ, ราะได้ออกหน้าโรคแล้วเลยออกหน้าโรคกฎหมายทึงเราเป็นคระนอกนั้นยังเป็นคระกรรมฐ า, านทั้งหน้าต่างตาประพฤติปริบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ทางนาจิจิศาสต์แต่กับพทอถอนอย่นเข้ากรรมาละกำลังทำ เราให้กินให้จังแต่อย่าลืมว่าการถูกผลทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สําคัญมากแล้วกีเรียบทุกประเภทไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นพลิกด้วยกันทางนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทางนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการทุ้มหนม่ใช่ของดีเลยมันดาบเสียหมดนั่นแหละ เป็นสันนัตติสันติตารางสุขขงังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบราคาเพาปปราะยึดสิ้นทราบไปแล้วนี้ไม่ห น, เนิเป็นสันติวาราสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึนได้ครองไม่กล่องไปถามผู้ใดละพระภิกษุจากปริคทางไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาภูไม่ได้ประมาทท่านสันทิฏโกท่านสอนให้ไถ่ ปัจจ ต, ตเมธโบวิอยู่ท่านสอนให้ข่ามัสคีมาปฏิ ป, าปทาตถารตเตนะสัมปทาท่านสอนให้ข่าท่านสอนให้พวกเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นย่างซึ่งพระองค์เคยผ่านแต่ละเ ร, ร, รื่องปฏิปทาท่านสอนเพื่อข่ายการแก้กิเลสแก้ลมพงนี้นี่หลือกลับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเย็นใจเพราะที่เลสดับไปเป็นลกำลับมังกรทําไมเราจะไม่สร้าง หลับสันทิปิกโกที่พระพุา้าออมประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ตรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนิพพานไปเรื่องนั้ไปไนประทานไว้กับปัตตมัชมาปฏิปทาอยู่ได้กันตั้งใจว่าพึ่งปฏิบัติจึงต้องมีรู้ ไ, ได้เหยนเดือดริ้วรสปิาจิตใจหาสงสัยจิตใจ ที่อื่นที่กลายเป็นที่หายไปที่นี่เป็นที่สําขัญมากเ่าวิจบทวิจารมือนะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายาตัวงิเครื่องไแล้วท้อนไม่สามารถที่จะอบรมสัสอนได้สับปล่อยแม้แต่ชมขันในตอนนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกลาลังที่จะยิ่งว่นั้น พอที่จะเฉลียยเปลือแผลความสุขที่จะอุ่นด้วยการแนะนำของหอนเนี่ยมันพยูตตามประทาบเนี่ยเป็นความขาเป็นต้นเราจะเห็นวาเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุ ก, ก, กอย่างมันจะทั้งสุดลมหายใจอยู่นั้นดูลมหายใจอยูงมันหมดเมดื่อไรก็ไปมนะัแต่สำคัญที่ใจข้าไม่มีอีกเจะเล่นแบตาทุ ข, นทาาทา ข, นขันทาราฮเวาปดับขันายืกับไน้พ อ, อถึงการเลาขึ้น พอต่อยแล้วก็เนหว่าหายความรักผิดพโลกเขาเรียกาหายกังวนสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจังดุ่มจัรขอควนมีตลอดอยู่เวลาจันทร์หายแต่กเว้นในหลวงน้อยแต่หลู้ที่จะเป็นหลักเป็นตัวนำทางด้านประชาเพื่อจะยังทำทันเป็นผนของปริจุประชาให้เกิดขึ้น เป็นขั้นเป็นขัง้งเป็นตอนมันจะไม่มีเทวัญถ้าไม่รีบเรื่อนคนปว่อยตั้งแต่ไหนๆมีเห็นว่าอันใดที่มีความวิเ็ษโลกเรยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิดก็ไม่ป่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามา ไ ม, ออมมมไม่ต่อวางอุตสานความวามิตมั่นถี่มั่นไม่ต่อแางความยาคํามยาไม่ต่อแรงความเกลียดความเกลียดเพราะสิ่งนี้โลกชอบหนาโรบสก็ชอบทั้งสี่น่าอินันไม่ดีก็พอใจจบรักก็ชอบทำหลักความจริงนั้นมันม่ดีนั้นเป็นไทยใน่ไหมมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าอีก หมดตาก น, นี้แล้วกินไปยเกิดถือไปสําคัน์ั้หมายผัวพันกันมาถึงตัง้งกับตั้งกันมันก็ต่อมันําเกิดมาให้เพราะทป็นสู้แข่งความตั้งหมดกินใจตรงต้นเนอภาคพื้นการปฏิบัติเนื้อมงต้นความทั้งหมดกิน ใ, นใจนตใาฝนนนนกขึ้นมาแล้วค็วาทาให้เห็นความผูก ที่เคยผ่านมากับความสุขที่การเกิดขึ้นเพราะการเงนต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเที่ยงเสียงมันก็เข้าใจเอะอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภาในิจองและปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบอย่าทำประยเข้าไปเท่ายิ่งเป็นของเสสลากอัลลัมมากอลักัมมากสิกอยสิ่งทั้งหลายที่เคยนิยเถื้อมาทั้งส่วนอยากสการคมะเอียดไปดืวยชวนกลางก็สู้ทาแล้วไดเย่งทั้โลกคนคนคน ต่ำก็สู้ทําไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทําไม่ได้ส่วนละเอียดพูดเรื่งพูดถึงเรื่องคุณค้าราคาราคาก็สู้ทําไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทําจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจุดเข้าใจทำแล้วจึงปล่อยมาโดยธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่ทัดต่ำเลปล่อยก็มาจนกระท่านหาที่ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ถูกเฉือนตึงยกขึ้นสัมผัสที่เป็นคู่กันตาหินกับมือร่กายถูกแรงเข้ามาใจสูกพากัมาในขันห้าถูกเืิกเวทนาทั้งยาทั้งการทั้งยาปล่อยพระจิงนนี้มันไม่ใช่องดีมันไม่ใช่สาระสำคันที่จะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ถึงใจ่อย้วไป่อยเขา ถึงจิตอะไรทําให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันอยู่ภางในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตนั่นก็มีสายมดมีตัวปลาพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นัดในสิ่นั้นถึ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้จงสึ่งนั้นก็สู้ทําไม่ได้ถ้าปล่อยอิ่มแม่ยังถ้าไม่มีอะไรที่จะปลดหมดรอบได้ปล่อยข้างนอก เข้าไปข้างในต่อยข้างในจะหมตดตลอดตวอัวถึงไม่เหลือตัว อ, อะไรอีกผูดฉลุกเหมือนว่า ง, ง่ายนะการปฏิบั ต, ติย้อนไปถึงทางปฏิบัติทาการดำเนินซิออเป็นาตาทว่ารยึดจิตใจแรกกันเลยถึงผู้รู้กี่คน ร, รู้ถึงได้รู้กว่คนเห็นถึงไม ขอให้ทุกทุก่านตั้งจิตตั้งใจอย่าให้มีเรื่องอะไรด้วยสิมงอย่าภายนอกอย่าให้มีเปเนยค่ะสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างและปราบบัติาตาตามาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะบกแ้งกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทมเต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันรเรื่อ ง, งอะไรเรื่องของกิเลสท่านเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเ แต่ในขณะเดียวกันอย่าเอาพิเดชมาออกเลขีเป็นการกระทบกระเทือนขาหน้าขาตาตัวเองมากหรือที่สุดในสำนักของท่านผู้มีก่อัดต่อทาํามกานเข้าใจมันอวดดีหนึ่งหลักคือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไหร่ก็คือความชั่วจะของเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้สิ ดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ดีคุณปฏิบัติทำมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่ในผลแม่งมวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดผลอะไรนอกจากขายตัวเองมันไม่มีอะไรเหลือที่จะหาถึงอันนี้เป็นของอยากมัน อ, อยากให้มีขึ้นมาเป็น เองที่ขายตัวเองเนยขายวงคณะที่สุดหาชิ้นดีไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมีพิเศษเป็นที่เป็นพายในใจในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีทำเป็นเครื่องแป ร, ก, ร, รกันพิเศษของตัวเองที่ทำมาจะต้องก่อยออกมาเพื่อทา่านที่มีการกันเหมือนหมาฆ mm hmm. ่าเช่นหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมานะนั้นทะละกันก็ นั่นแเลาะกันก็คือกัดกันนะ่นแมันมีอย่างนั้นแล้วก็เลวที่สุดนี่เราพูดให้เขาใจได้เฉยไม่ได้หมายถึงว่าพระนินเร า, า, าเกิดความทะเลาะหมั่นยั่งกั น, กนพูดให้เขาเอเข้าใจว่าโทษคุณต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่า มมีอาการ ต, ตัวขึ้มัดระวังผุ้สูงอายมันแสดองออกมาอาการใดให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออแม้แต่มุทิตทาในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุัองมันมุญหญิตไม่พอใจกับองค์นั้นแล้วพอใจกับองค์นี้นปเป็นเพราะหตุอะไรจึงต้องมุทความมุทิตคามไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำมาจึงต้องปล่อยให้น้อเต้นผ่านเหยียบญหญัวใจอีก ไม่สนใจแท้ไขแล้วยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ผไม่พอใจนั้นวยแล้วก็วยิ่งเป็นการเสริมกิเดยดอย่างเด็กโตยิ่งเติมไปใหญ่พิษไอใหต้องย้อนเข้ามาดูตัวตัวแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นไยก็เขาเราอยู่แล้วอยา้ยังไม่เผาไข่เขาเราจะเกาะทำาพีงให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้อง โ, อโกปรญญโกทสมย้อนเข้ามาย้อนเข้ามา มันออกนอกเลยขอบสุตัวนี้ท่านปัญญาอธิบาลนึ่นนี้มันก็ทําอะไรก็กระดูกกว่ดู